ธรร ม, มปัญญายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่หกปฏิบัติมากทราบซึ้งมากปฏิบัติน้อยทราบซึ้งน้อยเมื่อเราภาวนาให้เอาใจเป็นหักรู้อย่าไปรู้ที่คนอื่นที่อื่นให้รู้ตัวมากๆ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 แล้วบักบั่นรักษาให้ต่อเนื่องก็พอคลันได้วาระอันเหมาะสมก็จะคลี่คลายหายสงสัยไปเองเรื่องในสติปัฏฐานสติปัฏฐานสที่เริ่มด้วยบทที่ว่าเห็นกายในกายนี้ตามความเข้าใจของผมคือเห็นกายที่กายนั่นเองไม่ใช่เห็นกายในความคิด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 การคิดซ้อนคิดอะไรเหล่านี้สำหรับหลวงพ่อเทียนท่านพูดคำว่ารู้รู้นี้ยังไม่เห็นตอนรู้ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดแม้ความรู้ตัวก็ยังอยู่ภายใต้การครอบงมของความคิดอันนี้สำคัญเมื่อเห็นนั้นเห็นโดยอาการเมื่อรู้นั้นรู้โดยความคิด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 เรเริ่มสร้างปัญหาให้ตัวมันเองแต่เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่การสิ้นปัญหาก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมจะปูพื้นความเข้าใจของชาวพุทธไทยทั่วไปต่อความหมายของสติโดยเฉพาะบรรยากาศสมัยนี้กับการโฆษณาเรื่องสติทุกสานักและนิกายล้วนนำเสนอบทบาทของสติคล้ายๆจะกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาแล้ว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 คนที่ทำอะไรโดยขาดสตินั้นไม่ดีพอมีสติก็ดีขึ้นแต่สตินั้นละเว้นไม่ได้สติไม่มีกำลังที่จะละเว้นได้เหมือนเรามีราคะหรือแม้แต่โกรธไม่พอใจอะไรเราก็รู้ตัวแต่ว่ามันไม่หยุดทั้งๆ ท, ที่เรารู้อันนี้คือข้อเท็จจริงฉะนั้นการโฆษณาว่าสติเท่านั้นเป็นคาตอบ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 พูดอย่างนี้เป็นการพูดกันเองเฉพาะรายโดยไม่เอื้อเฟือผู้ฟังแต่ธรรมะที่จะเกื้อกูลต่อสังคมต่อโลกต่อสาธารณาชนนี้ต้องแสดงองคุณสัมพันธ์ของธรรมะอันนี้สำคัญพระภิกษุหรือผู้แสดงธรรมที่มีจิตใจละเอียดมีความการุณานั้นจะไม่ตัดลัตตอนทั้งนี้เพื่อเกื้อกูลแก่สาธารณาชน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 เพราะว่ารางเลือนไปจากชาวพุทธทุกวันนี้ที่มองเป็นเรื่องผู้หญิงโน่นที่จริงพรหมจรรย์ น, นี้ทั้งหญิงชายต้องปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมต้องปฏิบัติเพราะความหมายของพรหมจรรย์คือศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ว่าเมื่อเรามองศีลสมาธิปัญญานี้เรามองแยกส่วนเป็นศีลพวกหนึ่งเป็นสมาธิพวกหนึ่ง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 หรือคู่แขนเข้าก็รู้นี้เราทำความรู้จักง่ายๆจะนั่งจะลุกในอิริยาบถ ท, ทั้งสก็มีอาการรู้ตัวเหยียดออกคูเข้านี้พระที่เรียนกรรมฐานจะเข้าใจดีแต่ประโยคถัดมาคือแต่ว่าเธอนั้นถือเอากายศักิ์แต่ว่าเป็นที่ตั้งของการรู้เธอนั้นไม่ยินดียินร้าย ในโลกทั้งผองมีเนื้อความเป็นท่อนๆ อ, อย่างนี้เนื้อความสามท่อนนี้โดยอัตนะนั้นเล่งไปที่การกระทําอย่างเดียวที่เบ็ดเสร็จด้วยองค์คุณเหล่านี้แต่เมื่ออธิบายตามหลักเมื่อเคลื่อนมือก็รู้คูเข้าก็รู้ก้มก็รู้เงยก็รู้นี่ท่อนหนึ่งยังมีองค์คุณอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึก แต่ว่าเธอนั้นคือเอากายสักแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งการรู้แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายต่อโลกทั้งผองคือกรรมโลกรูประโลกและเอารูปะโลกทีนี้ย้อนมาดูผู้รู้ท่านหนึ่งคือหลวงพ่อเทียนท่านบอกให้รู้สึกขณะที่พลิกมือเคลื่อนมือให้รู้คูเข้าให้รู้โดยยังไปสู่อิริยาบถ ย, ย่อย กระพริบตาให้รู้ก้มหน้าเงยหน้าให้รู้เกลืน้ำรายให้รู้พูดให้รู้เงียบให้รู้นี่เป็นอิทิยาบทย่อยๆซอยก็ไปอีกแม้แต่ความคิดก็เป็นอิทิยาบทเป็นอิทิยาบทภายในเป็นการเคลื่อนไหวภายในให้จักอาการเหล่านี้แต่เนื้อหาก็คือให้รู้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 ซึ่งพิเศษกว่าสัตว์ประเภทอื่นใดมนุษย์มีรูปทรงที่กลมกลืนสูงธรรมชาติได้ทําให้มนุษย์บรรลุความสมบูรณ์ทางด้านอิริยาบทการฝึกสติบนการเคลื่อนไหวของอิริยาบททั้ง4จึงเป็นบาตรฐานแรกคือฝึกสติอยู่บนฐานของการเคลื่อนไหวอิริยาบทไม่ใช่อิริยาบทที่นิ่งซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหว